หรือต่อให้พวกมีอำนาจล้นฟ้าอย่างประธานาธิปดีนายกรัฐมนตรีหรือผู้บัญชาการทหารของประเทศก็มีจิตตั้งมั่นได้ระดับต้นกล้วยเจ อ, อนักมวยแข่งมหาการอย่างราคะโทสะโมหะเตะชาติเดียวก็ขาดกลางแต่สำหรับผู้ทรงฌานนั้นความตั้งมั่นอยู่ในระดับโพพฤกษ์ที่มีลำต้นหนากิ่งก้านสาขาแผ่ออกให้ร่มเงากว้างไกล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 หยิบกระบอกโทรศัพท์กรอกเสียงฮัลโหลเสียงจากต้นสายคือหวานใจคนเก่าของฉันจริงๆฉันไม่แปลกใจอย่างน่าแปลกใจฟังเสียงทักทายนุ่มนวลมีไมตรีของเธอด้วยความยินดีในฐานที่ไม่พบเจอกันเซนานฉันกับเธอจากกันด้วยมิตรภาพจึงไม่จำเป็นต้องมีทิฏฐิมานะใดๆเวลาใครคิดถึงและเป็นฝ่ายโทรหาเธอขอโทษที่โทรมาเสียดึก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 ฉันงงงงและอึดอักไม่รู้จะตอบอยังไงมีสัยขี้เกรงใจหนึ่งกับความรู้สึกยินดีอยู่ลึกๆหนึ่งทำให้ปฏิเสธไม่ออกทั้งที่ใจบอกตัวเองว่าถ้าขืนรับนัดอาจมีผลกระทบชนิดเสียงานใหญ่ได้ถ่านไฟเก่าที่ไม่เคยมอดดับอย่างแท้จริงนั้นเอาอะไรพัดเข้าไปหน่อยเดี๋ยวไฟก็กลับลุกโล่ยาวแน่เชื่อขนมกินได้เลยว่า ทุกอย่างไม่จบง่ายๆโดยวิธีแกล้งหายต๋อมไปเฉยๆพอเห็นฉันเงียบครู่หนึ่งแล้วทำเสียงเออเออออเธอก็บอกว่าเข้าใจไม่เป็นไรรบกวนฉันมากแล้วคงขอลาแค่นี้หางเสียงน่าสงสารซะจนกระทั่งฉันอ่อนยวบเลิมคิดถึงงานใหญ่อย่างสนิท ต, ตบปากรับคำด้วยอาการกัดฟันเล็กๆจนเธอถามย้าว่า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 ที่จเจริญสติปัฏฐานจริงจัง